หมอปกติเจ้าะวันนี้ตอนลั่งไปแสงดวงกลมกลมก็สามารถรวมกับลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็กาหนดยังกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ น, นี้พออยู่พักสักนานปักหนึงก็ลืมได้เดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องถามว่านั่งเป็นอา่านเท่าไหร่ก็เลยลืมตา ม, มาดูนาฬิกาแตดูเสร็จ นี่ถูกนี่นั่งใหม่นั่งใหม่ก็เริ่มใหม่อั้งแต่ต้นสักพักก็รวมได้อีกเค่ะรวมแล้วก็วิธีก็ออกเป็นสว่าแต่ในที่สุดก็จะอยู่แค่ตรงนี้เจ้าค่ะถูกไหมเจ้าค่ะก็จะอยู่ตรงนี้คุณยูมาทิงเซิง แตงดวงกลมๆที่เรียนพระอาจารย์ในวันแรกที่จะเป็นแบบนี้ยเจ้าค่ะเห <c oughs> มือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แบบว่าแสงเงินหนุ่มใสสัตว์สี ข, ขาวแต่วันเนี้ยดวงนั้นสามารถที่จะไม่อยู่กับลมหายใจได้เจ้าค่ะแล้วก็จะอยู่แค่ตรงเนี้ย <c oughs> แต่มันอยู่ได้แค่นี้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรต่อไปเจ้าค่ะเ <c oughs> วลานั้นอยู่กหนุดอะไรตอนนั้นก็ รวมใช่ไหมรวมกันนานไหมนานจุกค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะนั่งชั่วโมงคิดว่าถ้าเกิดประมาณจากครั้งแรกที่ลืมตาดูเนี่ยนะจุกค่ะมันก็จะรวมได้ไปในสิบห้าถึงยี่สิบนาทีถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยการที่เห็นแสงรวมตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ที่จริงอ่ะสามารถจะนั่งต่อได้เพียงแต่ว่ากำหนดตั้งนาฬิกาเอาไว้หนึ่งชั่วโมงก็เลยก็เลยออกมากดนาฬิกาอาจจะาะเวลาที่สามารถปฏิบัติได้ดีเวลานั้นถ้าปฏิบัติทำต่อไปจะดีกว่า แล้วก็ไม่ต้องดูนาฬิกาสามารถกำหนดนั น, น, นติ ต, ตอตเนื่อนเท่าไรก็ไม่ต้องไปดูนาฬิกาแค่ estimate เอ่ห์ estimate จาว่าอย่างประมาณแค่ประมาณ ก็สำนวนเดี๋ยวนี้คัมภีรัตติดีขึ้นนะดีขึ้นต้องทำต่อไปจะไปทำที่ไหนอ๋อดีมาก <laughs> สักการะูเขุก้กยนครัหลังจากที่ได้ blessing จากอาจารด้วยก็ได้กำลังใจทีี้เพิ่งจว่าอย่างที่ที่เรียนนอาจารย์แลเมื่อวานว่ามีเชื่อนว่เป็นคนที่เจริญสมาธิอะไรแสงสีเสียงนิมือไม้อะไรไม่เคยอะไรไม่เคยเคียร์กายเขาสวยเลดแต่ว่า เมื่อตัดสินใจมาที่นี่แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎกติกาของที่นี่คือจัดรเรินสมาธิใ่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจาวันนะคะก็คือใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเป็นขั้นอยู่อยู่แล้วพอแต่ว่าเป็นคนที่มีกรรมฐานหลักลายมากเช่นจากอยู่70แล้วตอนนี้มรณานุตตินิถีมากเลยนะคะเราปจากการอ่านพระสูตรของพระพุทธศาสนเราที่ ไม่เจริมรณะ น, นิสติอะไรต่างๆเกิด ค, ความปล้ากลืนทุกครั้งแล้วก็จะมีจะดูท่าบวชฐานอันเนี้อย่างที่เรียนทานอาจารย์เมื่อวานแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวียรยาบดีนี่มันจะเป็นการออกกําลังกายการขับรถอันนี้จะต้องไปทําอะไรต่างๆจากีิริยาบดแล้วก็เอาไปชันย์ยสีคือหลากหลายมากเลยแล้วแต่ว่าจะอยู่ใน สถานการณ์เช่นใดแต่ใ น, นขณะเดียวกั น, นแม้ไม่ไดมาที่นี่ก็เจริญสมาธิโดยใช้อานาปนานสติอยู่แล้วเพราะาเรียนสติปัฏฐานสูตรเนี่ยกับครูบาอาจารย์น้อยก็สอาท่านขึ้นไปทีนี้ที่จะเรียนท่านอาจารย์ว่าเรจับเลสซิ่งกับท่านอาจารย์เมื่อวานแล้วเนี่ยเมื่อเช้าก็สามารถที่จะนั่งได้หนึ่งชั่วโมงซึ่งเป็น almost i uh, ิอ่า s s ชชั่นอันเป i นไปไม่้น่าจะแล้วเป็นครั้งที่สองแล้วมาในชีวิตในทนี่นี้เนื่องจากว่าอา่จิตเนี่ยบ้องไวที่จะรับอารมณ์เป็นคนที่ alert มากๆเลยแม้กระทั่งเวลาง่วงนอนแล้วรู้ว่าจิตกำลังจะตกผวาหรือจะโมโหจะเจอจะสะุงอะไรเงี้ยรู้ตัวตลอดเลยแล้วก็จะดึ่นกลับมาด้วยความอายเขากลัวพระจะเห็น กลัวคนที่หน้าข้างๆจะเห็นว่ามันเหมียการสกุส้งเพราะฉะนั้นจะไม่เคยปล่อยตัวให้ถึงกับสักหรือไม่ก็งอแรือว่าเห็นบางคนในหน้าจะโคคลื่นทีนี้โยมจะเรียนถามว่าการปฏิบัติของโยมเนี่ยก็คงจะเหมือนคำถามทั่วๆไปเนี่ยมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นไหมแล้วก็อการที่โยมรู้ตัวอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยอ้อเดี๋ยวเรียนเรียนเอวิทยว่าขณะที่อยู่ที่กรุงเทพ ก็ได้นั่งตั้งแบ่วันเช้าทึงวันเองก็พยายามจะเจริญสมาธิทีนี้เนื่องจากในห้องเนี่ยเราเปิดแอร์ไม่นิเราไม่กลัวใครจะมองเห็นก็รู้ตัวแม้กระทั่งว่าร่างกายนี้มันงอลงทุกทีทุกทีทุกทีเพราะว่าหลับไปแล้วว่าตอนนั้นท ว, ทวันคงจำร้อนกับจิตเกิดพอรู้ตัวปั๊บยืดขึ้นมารู้ตัวปั๊บยืดขึ้นมาแต่ว่าบ่อยครั้งที่จะไม่ปล่อยให้ ง, งอลงไปจะเสียตุ้งตุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ที ดูโลใหม่จะเป็นอย่างนั้นหน่อยมากเลยเจ้าค่ะทีนี้เนื่องจากว่าหลังจากมาที่นี่แล้วได้พลังจากครูบาอาจารย์เยอะพระภิกษุที่ท่านก็นั่งกันอยู่ในห้องเพื่อนๆมีตู้มีสีนึงหลายก็อ่อน่ารักมากเลยเจ้าค่ะท่านทุกคนยกพวกได้พลังจากเขาด้วยก็เลยทำไมคิดว่าได้กํำลังใจใ น, นการกราบเรียนให้ท่านอาจารทราบแล้วก็กราบอนุโมทนาด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะ โยมจะปฏิบัติต่อไปแต่ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอายุยืนยาวถึงจนไปถึง้าวก็เขาไหมท่านที่ยงก็ไปมาสารพัดในรอบโลกก็ไม่รู้กี่ครั้งยุโรปอเมริกาไปพม า, มา ก, ก็สองครา้งแต่ไม่เคยไปถึงข้าวนะคะเดี๋ยวให้ท่านไปกันก่อนก็แล้วกันท่านไม่ตายสักว <laughs> ันเจ้ค่ะพระอมาจารย์แนะนําๆมาถเมื่อานขคุณรักทานบรรลุานชาติดีเลยนะ อาจารย์ก็ไปก่อนเราแ้วบานยิ่งไปก่อนเราแยัยังอยู่ เด็กอ็จะมาถ้ามีปัญหาอะไรจะถามอะไรเขาทำงามีคดามสุขในการทำงานในการ ที่ผ่านมาก็มักจะรู้ลมหายใจแบบรู้ว่ามันมีอยู่เข้าออกเฉยเฉยเจ้าค่ะยังไม่ได้รู้จุดตอนนี้เมื่อเช้านี้ตอนที่ฟันแม่ชีสอนอาจารยม่ชีสอนอยู่ข้างล่างเก็าังแล้วพอพีดตาไปด้วยดังคือก็เลยตึงจนนิดนึงแลพอกลับมารูลมหายใจก็เลยรู้เพราะมันชัดตรงเฉยนี้แล้วเจ้าค่ะอืม คำนุดอยู่กับลมได้น้นนไหมทำไปนะทำทำต่อไปแล้วก็รักษาสติให้ดี กับอารมณ์กรรมฐานและเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะสม า, ะส ม, าะสมารถจะสามารถเจริญสมาธิได้ถ้าสมาสมารถเจริญสมาธิได้อาก็สามารถได้อยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันล้วก็สามารถรู้สามารถเห็น ตามความเปินจริงถ้าเราปฏิบัติต่อไปตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะสามารถทําเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราทําอยู่กลับไปบ้านแล้วก็ต้องเตรียมเวลาก็จะสมาธิเพื่อจะปฏิบัติต่อไป ทั by, right? mm ้ต hmm. mm ัวไปเนอะ เดียนยืนแล้วเดินแล้วบังเอิญว่าไม่ทาว่าอาจารย์มีวิธีการนอนทำกรรมฐานอันเรประมาสติไหมเพราะว่าชีวิตคนเราก็มีเวลาบนที่นอนเยอะคำถามแรกนะคะอาจารย์คำถามที่สองคือว่าที่เรามาการส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอายุค่อนข้างจะสมควรโอกาสที่มีความเวทนาในขณะที่เราเจ็บตัวยเนี่ยก็ย่อม ที่เจ็บปวดเราในขณะที่เราใกล้จะใกล้จะจะตายนะคะโอกาสตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะสามารถกำหนดรู้ลมหายใจได้หรือไม่ะก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำสำหรับตัวเองแล้วก็เพื่อการทำนี้ในการที่จะจะเรินกรรมฐาน อย่างนี้นะคกรรมฐานระนัสติในขนะดที่เจ็บป่วยมากแล้วก็อยู่ในเวทนาอันกล้ามากะคะ่ะว่าจะจะมีอาณาการสติในการจะมีวิหารธรรมในข้อนี้อย่างไรเพื่อให้จิตเป็นอุสนนอนกรรมฐาน <c oughs> <c oughs> อัตามาก็เคยให้คำแนะนำเกตผู้ปฏิปิทางหลายโยมทางหลแล้วอิทธิบาตอิทธิบาตใดใดก็ตามเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์กรรมธรรมเท่าที่สามารถทำได้ อาตมาจันด้ว่าเมื่อวามีมียอยูผู้ปฏิบัคนหนึ่งเวลารายงานก็บอกว่าเวลาที่นอนสามารถนะกำหนดรู้ลมได้อย่างดีได้จริงอันนี้เป็นที่อันนี้เป็นจริงๆเลยเพราะว่าเวลานั้นเรา เวลาเรานอนหรือพนปนอะไรที่นอนพอที่นอนเพื่อจะนอนหรือเพื่อจะพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราให้อย่างดีไม่ต้องไม่ต้องใช้กำลังอะไรก็ผ่อนคลายดีก็เลยถ้าเรา รักษาสติใหด้ดีแกอารมณ์กรรมฐานสามารถกำหนดรู้ได้อย่างดีดีกว่าที่เรานั่งเตว่าเราทำอย่างทานานๆไม่ได้อดัมาไม่แน่นำ ไ, ม, ไ ม, นนม่ไม่แนะนำไม่แน่นำเพื่อจะทำนานๆถ้าให้คําแนะนาำอย่างนี้ก็จะนอนหลับไปนี่อ <laughs> อดมาให้คําแนะนำให้นำ ผู yes. like ้คนที่อยากจะทําปฏิบัติต่อต่อติดต่อต่อเนื่องไปนั่งสมาธิแล้วสองชั่วโมงก่อสองชั่วโมงแล้วก็อยากจะทําต่อไปก็เดรร่างกายก็เหนื่อยแล้วเพราะว่านั่งมาสมากกว่าสองชั่วโมงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ อาตมาก็ให้คำแนะนำยืนทำตัวไปเปลี่ยนอิริยาบถเต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนใจก็ยืนแล้วก็ทำตัวไปะยะเวลาไปถึงสมุิว่าสามสิบนาทีแล้วก็ ไม่ไม่ไม่อยากยืนต่อไปแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันก็เวลานั้นท่านนั่งลงไปอีกนั่งสมาธิต่อไปก็ทำได้เหมือนกันบางทีเรียนวอยาบรไปเพื่อจะสามารถปฏิบัติได้อย่างติดต่อต่อเ น, นื่องไปมีเวลาหนึ่งไม่อยากนั่งไม่อยากยืนแต่ อยากพักผ่อนเพื่อจะได้กำลังก็เลยพักผ่อนตอนที่นอนแต่ว่าไม่ใช่เพื่อจะนอนเพื่อจะปฏิบัติพอเวลานั้นก็ต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่เราก็ต้องสังเกตตัวเองถ้าเราเราทำนานๆต่อไปก็ จะง่ว น, นอนก่อนลก่ที่เราจะง่วนนอนเราก็ต้องเปลี่ยนอิเดียบุตรถ้าทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแล้าค ำ, คำถามที่สอง ในเวลาปฏิบัติผู้ที่ผู้ปฏิบัติไม่ม่ไม่มีผู้ใดที่ไม่เคยเจอบป่วยในเวลาปฏิบัติอันนี้ก็เป็นธรรมดาทำไมทำทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าสติยังไม่ดีไม่สามารถกำเนลรู้ลมเข้าลมออก อย่างนั้นนนได้ก็ถ้าเรานั่งต่อไปอย่างนั้นนนไม่มีสติที่รู้อยู่<ม>อารมณ์กรรมฐานนันนั้นและไม่มี ส, สมาธิก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านั่งนั่นๆต่อไปก็สามารถขอให้ สามารถทําให้การจิตป่วยเออการจิตปวดปวดเจ็บปวดนะมีการเจ็บปวดเหตุที่ก่อให้เกิดนั้นพราะไม่ไม่สามารถกําหนดรู้ลมเข้าลมออกนานๆติดต่อต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีการเจ็บปวดเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นานๆให้นานๆติดต่อต่อเนื่องไปถ้าสามารถทำได้เราไม่มีการเจ็บปวดเจ็บปวดอย่างง่ายๆเลยอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องฝึก ทัชีวิตของเราก่อนที่จะตายใกล้ๆจะตายเวลานั้นถ้าเราจะจะฝึกแต่ในเวลานั้นก็ไม่สามารถเราก็ต้องทำไปแต่เราชีวิตถ้าเราสามารถทำได้มากกอดีดีมากแต่ว่า เราไม่ควรพอใจแค่จะดูลมเข้าลมออกตลอดเวลาตลอดชีวิตเราก็ต้องฝึกเพื่อจะรู้มากกว่านี้ถ้าเราสามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้ปรมามัดนำปรมามัดเหตุปัจจัยต่างๆและถ้าเราสามารถรู้เกิดถ้าเราสามารถกำหนดรู้ โดยใจละเกิดรูปธรรมะนันปรรมะที่เกิดทับยังรวดเร็วก็จะดีมากใกล้จะตายถ้าเราสามารถใส่ใจรูปธรรมะนันปรรมะที่เกิดทับยังรวดเร็วก็จะดีมาก <c oughs> ได้รับคำทีอ่อาจารย์ทรา้สอนไว้ในเรื่องของการที่เราเที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่ามีเตรีชาวพมา่าท่านหนึ่งตั้งความปรารถนาในการที่เขาจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาที่สูงและอยู่ในในเมืองนะจ๊ะครับมีพวกเรากําลังอยู่ในขั้นของเริ่มต้นในการที่จะเจริญสมาธิอยู่ พกโยมจะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรในขณะที่ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติกรรมฐานในเรื่องของสมาธินะคะเพราะว่าจากตัวอย่างบางข้อท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้เช่นบางท่านตั้งเจตนาที่จะเป็นเป็นพระซึ่งในในในทัศนคติของโยมในตอนต้นโยมก็เข้าใจโยมก็ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่สม่เสมอเพราะเพราะตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเมื่อใดที่เห็นพระชีวรพระสบพระสบงหรือชีวรหรือว่าของใช้ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ย โยมก็มีความรู้สึกเหมือนผลอยากจะกอดเอาไว้มีความรู้สึกก็มีความพึงพอใจในขณะที่ทําบุญก็มีความรู้สึกว่าเออได้มีผ้าไตรหรือว่ามีผ้าที่พุ้มพอร่างกายในขณะที่สูดมนในความรู้สึกฟินลิ่งนั้นก็เป็นเช่นนั้นนิยมก็เลยยังยังทำการเจตนา ที่จะใส่บาตแล้วหรือว่าก่อนที่จะทำสมาธิแล้วก็ยังไม่มีรไม่มีลักษณะที่จให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยว่าคุณจะตั้งความปรารถนาเช่ไรให้ให้จิตนั้นเป็นกุศลเพราะว่าก็ยังไม่รู้วิธี่ะอาจารย์ <c oughs> อย่างที่อตาตมาคืออธิบายันเวลาแสดงธรรมเราต้องต้องเจริญ จารณะแลวิชาจารณะและวิช า, า, ชาทำได้ใช่ไหมอะไรเป็นจารณะอะไรเป็นวิชารักษาทำถวายสิ่งที่เราสามารถแกผู้ที่เราคุรน ทไม่ใช่พระสูง not only not only not only ไม่เพียงแต่ไม่เพียงแต่พระสูงพระดอสูไม่เพียงแต่พระสู แต่แต่คนทั่วไปคนที่คนที่คนทั่วไปที่มีมีสภาพมีมีสภาพดังอือืมอือือือ คนที่คนเออคนที่เราควรควรให้ควรสนับสนุนใช่ไหคนคนที่เราควรช่วยเราก็ต้องต้องให้ต้องให้สิ่งที่เราสา ม, มารถด้วยความปรารถนาด้วยความปรารถนาที่จะบหรลุพระนิพพาน ถ้าเราทำอย่างนี้ก็เราก็สร้างสมสบารมีอยู่เลยแต่เราถวายเพื่อจะเป็นคนรวยหรือจะไปเกิดในเอวโลกหรือที่ภพมที่ดีภูมที่ดีภูมที่ดีก็ไม่ไม่สามารถสร้างสม บ, บบารมี ก็เลยอยู่ที่ความปรารถนาของเราทำอะไรทำอะไรก็ตามถ้าเราทำไปกุศลละกามใดๆก็ตามเราต้องตั้งปรารถนาเพื่อจะให้เพื่อจะให้หลุดพ้นจากทุกข์ถ้าทำอย่างนี้สิ่งใดที่เราทำไปก็เพื่อจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้เวลาเวลาถอย เวลาให้เวลารั ก, รกษาสี่หรือเวลาเราเจริญสมาธิก็ลองต้องตั้งปรารถนาอย่างนี้อันนี้เป็นปรารถนาที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่สามารถือพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราต้องเกิดในวัฏะสงสารเราก็จะไปเกิดที่น้อยพอบที่ดีเพราะว่าเรา สังสงกุศลกรรมมากเลยที่เวลาหมดสงแล้วถ้าปารมีก็สงบุงแล้วเวลานั้นกุงลกรรมที่เราสั่งมาด้วยความปรารถนาเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้ก็ ทำให้ก็ช่วยเราให้สามารถหลุดพ้นจากทุกได้แล้วก็จะทำยังไงเพื่อจ ะ, จะเจริญวิชชาน้อยที่สุดเราก็ต้องปฏิบัติ ท, ทัดสีทัดทักรรมฐานอันนี้เป็นเพื่อจะจะสร้างสูวิชชาเพื่อจ ะ, จ ะ, จะเจริญ วเวลาที่ทำทาตกรรมทานก็เพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือพ้นจากวัฏสงสารด้วยการปรารถนานี้ถ้าเราทำอะไรไปการปฏิบัติหรือสิ่งดสงีสิ่งงามเกี่ยวข้องกับวาจาแกกละกายทุกสิ่งทุกอย่างสามารถ ช่วยเราให้รู้ทำอย่างจริงใ น, ในอนาคตบริเราก็ต้องปรารถนาทำต่อไปอย่างนี้ในชีวิตของเราเข้าใจไหมใช่ไหมคุณผู้ชมที่ยืนขางๆพอาจารยพูดข้าสี่นะเจ้าค่ะเป็นอยู่สิ Taxi is n i t e color, so you taxi. Yes, taxi means four. But if you say taxi is mean color, so C C C C. จะจดิคมอันชนะยนชนะนีวดคดตดส่ขึ้นหมายโการ้ตรงโการ การฆาจะต้องยาที่กาเสการล้วกกาแเอ่อพร้อมพร้อมนอนนดูตีงแเกเกาเอ่อิชอท p o r ล้ก็จะได้ลายไม่เยกายก็กากากากากา กาก๊ากาก๊กา <laughs> <laughs> ใช่ใช่เวลาที่อาตมาศึกษาภาษาไทยอาตมาก็ต้องฝึกเสียงออกเสียงให้ถูกนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยากยากเพราะว่าอาตมาก็สังเกตได้ว่าหลายๆคนไม่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเขาก็ไม่เคยศึกษาอืม จะวิ่งรมัดระวังแต่อัตมาก็ไม่ได้อ่านนั้นแล้วไม่ได้เขียนก็ น, นั้นแล้วไม่ได้พูดก็ น, นั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> See, we mean some o o m i l l y d i e r p a c e s So j u t h i s or that, s i t e e s t e r y different t h i n s h e h s t e n to t a b u t t h i n e h s u m h h การรู้ตัวในขณนะตื่นจะช่วยห้ยเรามีสมาธิดีขึ้นไหมแต่ผมสังเกตุดูว่าจากการทําตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าในขณะนั้นมีความรู้สึกตัวแต่รวมหมายแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังไม่หนักแน่นหะยังไม่ชัดเวลาตื่นเวลาตื่รดับความรู้สึกแรกในการตื่นขึ้นนะครับเรา เราควรฝึกไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกเวลาเดินใจก็ไปไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ส่วนมากาก็อกุศลจริงจริเลยเราเราจำได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คยวข้องกับกามสุหรืออกุศลก็เลยเราก็ต้องฝึกให้รู้ลมเข้าเริมออก เท่าที่สามารถทาได้ถ้าเราฝึกไปผู้ปฏิบัติบางคนก็เคยรายงานเดินขึ้นมารู้ด้วยด้วยทันทีเพราะว่าฝึกมาฝึกฝึกไปฝึกมาอย่างอย่างจริงจังก็เลยทาได้ง่ายง่ายทาได้ทำได้ จะมีผลต่อการฝึขนดสมาธิแรตื่นใช่ใช่สามารถช่วยได้ามได้คนที่เคยเคยพิจารณาหรือสมจะว่าอย่างไงเคยบริบริการพุทโธพุทโธตลอดมาบริกรรมบริกรรม ก็บางทีจะมีจะมีประสบการณ์ที่ไม่หวังไว้อัซิเดนจะว่าอย่างไรมีมีอุบัติอุบัติอุบัติอซิเดน or something happened u n e x p e c t e d at that i m e also แก็พูโธ เวลาตกใจก่อเป็นอะไรเพราะว่าเขาก็ฝึกมาดวใช่ๆชถ้าสิ่งที่เราทำมาในที่สุดถ้าเป็นถ้าอันนี้เปลี่ยนไปเป็นชีวิตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจะว่ายังไง a n น becomes our life เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิต อันนี้ดีมากเลยเราก็ต้องฝึกจนถึงส่วนหนึ่งของชีวิตเป็น <c oughs> ดีไซน์เลานดีไซน์ <c oughs> ยามานี้ทุกวันทำยากมากแต่เพราะว่าคอมที่ติดกันเยอะใช่ไตอนี่เขเดิมชัดทีนี้ตรงจมูกก็อยากจะเปลี่ยนนะครับถ้าที่ก็ไม่รู้ติดคอมุกันนานก็จะชัดมากก็รื่อุ้งใจและอยากจะทําหมือนกันทได้สักทีมนจะทำไมากต้องทมาสุดแล้ ต้องฝึกไปต้องฝึกไปน้องอย่า ง, ง, ง น, น้นอเอน่นอนนานนอาตมาอยากจะให้คำแนะนำยอมไม่ไมควรไม่ควรห่วงเกี่ยวของกับเรื่องนี้หว่วงหว่หวง ห่วงอัมหวงวอรี่วอรี Knights ่เอออ่อกังวันและหวงเหมือนกันใช่ไหมถ้าถ้าเรามีถ้าเราห่วงหวงอันนี้ก็ก็ให้ เป็นสิ่งที่กระตุงครับใช้ขเลยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าอันนี้ก็มีอยู่มีอยู่เพราะว่าเราไปใส่ใจแล้วก็รู้ถ้ารู้ก็ไม่ไม่เป็นอะไรเปลี่ยนจิตของจิตของโยมให้ให้อยู่กับลมเข้าลมออกต้องฝึกไปไม่ต้องปฏิิทธ เพราะามีอยู่อันนี้เป็นไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีมีอยู่ก็เ ว, เวลาที่เราหายใจของยุค ก, ก็เกิดขึ้นก็เลยเราก็ต้องยอมรับไม่ต้องประฏิเสธแต่ว่าไม่ต้องใส่ใจต้องฝึกต้องฝึกไปถ้าฝึกไปก็อ่นหนึ่งสามารถทำได้อืไม่ดีอย่างนั้นดีที่สุดถ้านอย่างนี้ ไม่สามารถใส่ใจลืมเข้าลืมออกอย่างง่าอยากกกจะะช่่่วยคคแนนี้ม อันซายมะอันซายมะอ๋ออ๋อโกมะเนาะไม่ใช่โกมะ lose memory อ๋ออ๋อไม่มีความจา อย่างที่อาตมาเคย อ, อธิบายเราก็ต้องช่วยคนอื่นสิ่งที่เขาสามารถทำได้เราไม่ควรให้ควรให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่สามารถทำคนที่มีอาการอย่างนี้ให้เขาฟังทาม มากมากก็จะดีจำไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเวลาที่เขาได้ฟังกูสงราจิตสามารถก็ให้เกิดกูสงราจิตได้ให้เขาทำให้เขาทำธานนะใ ห, ใ, หให้ทานให้ทานแล้วก็ให้ให้ขานนะนําพูด จะปฏิบัตินิดนิดหน่นนอยหน่อยเออถ้าถ้าถ้าเขาสามารถทำได้ก็ดีเหมือนกันตอนที่อาตมาไปสอนการปฏิบัติในประเทศอินโดนีเซียมีคนแกน่คนหนึ่งมามากราบอาตมาเขาเขาก่อนนั้นเขาไม่ นอนไม่หลับทุกๆคืนก็เขาก็ไม่สบายลูกสาวของเขาของเขาก็มาปฏิบัติอยู่วันหนึ่งลูกสาวก็กลับไปบไปให้คำแนะนาคนแม่พื่จะปฏิบัติอนาบานาสติตั้งแต่วันนั้นต่อไปคนแม่สามารถนอนหลับได้เขาก็มากลับ อาตมาโออาณาปานเป็นยาที่ดีมากเ <laughs> ดี๋ยวนี้เขาได้ยาแล้วเพื่อจะได้นอนก่อนก่อนก่อนนอนหลับแล้วก่อนนอนเขาก็ปฏิบัตอบิอาณาปานสติเขาก็ชอบทำอันนี้ก็ดีเพื่อเขาพอลีเราก็ต้องพิจารณาให้อย่างดีเราจะช่วยคนอื่นอย่างไร ไม่ควรคิดอย่างที่เราอยากเราเราควรพิจารณาให้ดีเขาทำได้อะไรช่วยทำทำอะไรได้แล้วก็ให้ให้เขาทำแบบนี้ดีกว่าให้เขาฟังทำถ้าถ้าเขาฟังด้วยความสนใจก็ดีบางที บาทีสนใจไม่สนใจอาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าให้คำแนะนำโดยเจตนาที่ดีไม่ต้องไม่ต้องกรวต้องโกรทำไมไม่ทำไม่อยาบอกอย่างนี้เลยเราก็ต้องต้อง avoid นะหลีกเลี่ยง can't put อ, อ, อย่างนี้ไม่ควรพูดกับใคร เพราะว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นทำสิ่งที่ดีเราก็ต้องพูดแบบที่เขาสามารถยอมรับได้บางทีจิตนาก็เหมือนกันแต่ว่าคันพูดมันไม่เหมือนก็เลยคนไม่ฟังดีแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังถ้าเราไม่ไม่เก่งก็ดีเหมือนกันอืม จายให้เป็นน้ำผ้ทำาจากกรอิดทำาดีเพื่ถึงกสารับได้ลอบอกบอกอีได้ไหมออเยวอเคโอวเคอธตมาฟังอยู่ไม่เกี่ยวข้องกยวกำลังบอกอะไรอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับ ปฏิบตัต yeah. ิก็เออเออเออการสติด like> ีขึ้นอันนี้ก็แบบที่เราฝึกสติของเรา เข้าเข้าเขาขอด้ะเข้าเข้คลองก็ไม่คิวไม่ได้ต้องคิวต้องคิวต้องคิวแล้วก็ทําให้สุขภาพดีดีขึ้นไม่เหมือนไม่เหมือนเข้าเขาเราไม่ไม่หมอไม่ไม่สามารถคิวได้อย่างขคล่อง ถ้าไม่ถ้าเราไม่คิวเวลาที่เราชานเข้ากล่องเราไม่สามารถลืงได้ก็เลยเราก็ต้องคิวจนถึงมไม่ได้ได้ที่สุดก็เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบถ้าเราถ้าเราชานเข้าคิวสามสิบไม่พอไม่พอ และเขา้าเขาอาจจะได้สามสิบก็มากกว่า30สิบก็ได้เหมือนกันปฏิบั ต, กบติการปฏิบัติทีนีการปฏิบัตินี่ก็ในในช่วงเชา้าครับในช่วงเช้าพอจะทำได้บ้างในช่วงเชา้านี่อย่างเมื่อวานนี้ระหว่างเดินไปนี่ก็กำหนดลมหายใจไปตั้งแต่ออกจากที่พักก็เห็นแสงสว่างคล้ายๆดาวขึ้นมาสองครั้งครับ แล้วก็วันนี้วันนี้นี่ตอนนั่งก็ไม่ไม่เห็นแสงเลยนะครับพอเลิกจากกลาบเนี่ยถึงได้เห็นครับก็เห็นแสงสีขาวแล้วมีวงรอบๆสีขาวแต่ออกมาแป๊บเดียวสั้นกว่าวิหนึ่งวินาทีครับรต้องหลับขอไปพระอาจารย์เพราะว่ามีคนมาคุยด้วยเยอะครับแล้วก็ทำให้ฟุ้งทั้งวันนะแล้วก็ฟุ้งเสร็จก็พอรู้ตัวก็หลับอีกครับ <laughs> อยงก็ต้องทาต่อไปเพราะว่า บอกได้ว่าคนมีบารมีเหมือนกันดีใจที่พวกโยงส่วนมากสามารถกำเนดรู้ลมได้อย่างดีแล้วก็ปรากฏแสนก็ปรากฏขึ้นอันนี้บอกได้ว่าถ้าโยมทั้งหลายพยายามปฏิบัติต่ตอไปสามารถ จเจริญสมาธิได้ต้องต้องต้องหา you all must find the opportunity ต้องหาโอกาสเพื่อจะสามารถทำตบนั้นจะสามารถปฏิบัติได้ต่อไปแต่โอกาสนั้นเราต้องต้องหาให้ได้ น, นี้เป็นไม่ใช่ไม่สามารถทำได้สิ่งที่สามารถทำได้ถ้าเรามีความปรารถนาดีแก่ตัวเอง ไม่ใช่หรอบางคนก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาถาจะเริญนสมาธิก็แสงจะปรากฏขึ้นอขอข อ, ข อ, ขอนุญาตแป๊บเดียวครับคือตอนที่พระอาจารย์บรรยายกลางคืนคจะมีพระภิกษุที่บอกว่าเห็นแสงกริสและแสบตาเนี่ย ผมคิดว่าไม่นา่าจะแสบในความเห็นของพระอาจารย์ว่าเป็นยังไงครับเห็นเห็นคือเขาบอกว่าครับอ๋อเพราะว่าแสงสว่งขึ้นก็ like a reflection แล้วก็ไปใส่ใจก็เลยแล้วก็ไม่รู้จะกมหนดโลงอย่างไรเวลานั้นเพราะว่าแสงก็ดินดุจจิตของเขาจิตของท่านก็เลยเขาก็สนใจก็เพราะว่าเขาสนใจท่านสนใจแสงที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ไปใส่ใจก็ รบกวนกรรปฏิบัติของเขาถ้าถ้าเขาไม่ใส่ใจใส่ใจแต่ลืมเข้าเลืมออกอย่างเดิมท่านสามารถเจริญได้อย่างดีเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วจงมาคิดด้วยกระตจา์เจ้าค่ะโยมปฏิบัติแล้ว จะมักจ ะ, อะพอสงบมากๆเนี่ยเจ้าค่ะมันก็จ ะ, ะมีการหลุดเข้าไปหรือมีแสงเข้ามาเป็นแสงสว่างที่เรืองรองแล้วก็บวกกับความรู้สึกที่สงบเงียบสงบอะเจ้าค่ะ mm hmm. ไม่ถึงกับสบายเจ้า พอพอเป็นอย่างนี้ก็จะหลุดแล้วก็จะไปรับรู้ว่าเียบไม่อยาใส่ใจเลยอาการนี้จะช่วยโยมให้เพื่อจะสามารถนั่งอย่างสบายแต่ใส่ใจแต่ลมเข้าลมออกอย่างที่อาตมาคีได้คลี อธิบายคือให้คำแนะนำสิ่งสิ่งอะไรคือขึ้นปรากฏในร่างกายเล่จายองโยงไม่ต้องไปใส่ใจส่วนมากถ้ามีความสุขคือขึ้นในร่างกายเลจ่จายผู้ปฏิบัติส่วนมากก็ชอบชอบใจม่าไปใส่ใจถ้าไปใส่ใจก็ไม่สามารถ จเจริญสมาธิได้อ น, นี้รุกวนการปฏิบัติของโยมเราก็ต้องทำอนาบานาสติต่อไป้ดยสติดีๆแกอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องไปใส่ใจเจ้าค่ะแต่โยมจะเป็นอย่างเนี้ยเจ้าค่ะบ่อยมากแล้วก็พอเรากำหนดไปที่ลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวความสว่างเงียบสงบก็จะ เข้ามาอีกเหมือนเราตกอยู่ในโลกแห่งความสั่งหยัดแล้วก็พอจะใส่ใจอีกเดี๋ยวก็มาอีกอย่างเนี้ยจ้าค่ไม่ทราบจะหลุดออกไปจากตรง น, นี้บ่อยๆได้อย่างไรจ้าค่ะจะเอาอะไรไปสู้ไม่ต้องไป <laughs> ไม่ต้องไป <laughs> ไม่ต้องทําอะไ ร, เ, รเอ็มมาก็ให้มา <laughs> มาก็ให้มา <laughs> ให้อยู่ ให้อยู่เต่โยมก็ให้สติของโยมให้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ต้องให้สติของโยมไปอยู่กับมันอันนี้สามารถช่วยโยมได้เพื่อจะเจริ่งสมาธิแต่ว่าท่าสังใจก็ไม่สามารถช่วยซึ่งอันนี้เจ้าค่ะจะเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนานมาแล้วด้วยเจ้าค่ะ ไม่เป็นอะไรวันนี้ต้องฝึกจิตของโยมให้อยู่กับลมเข้าลมออกแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปใส่ใจแล้วถ้าความเงียบพอฝึกอยู่กับลมเข้าพอสมมติเงียบแรกใช่ไหมเจ้าคะก็จะมีโยมก็พยายามไปที่ลมเข้าลมออกพออยู่ลมเข้าลมออกเงียบที่สองก็พลชเข้ามาอ ย, อย่างนี้เจ้าคะ่ะเงียบไป จะจะมีแสเหมือนเดิมเลยเหมือนตกอยู่ในโลกแห่งความเงียบเจ้าค่ะโยมไปใส่ใจแล้วเราก็ชอบใจชอบใจอันนี้รบกวนการปฏิบัติของโยมอันนี้ดีถ้าไม่ใส่ใจอันนี้ดีถ้าใส่ใจอันนี้เป็นไม่ดี ก็อาจจะพยายามาตั้งแรงๆขึ้นมานิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะให้รู้ไปที่การที่ลมเข้าลมออกให้แรงขึ้นนิดหนึ่งเพราะถ้าถ้าเป็นไปตามภาวะที่สงบมันก็อาจจะถ้าโยมอุปิขาที่สิ่งที่โยมบอกว่าเงียบต้องอุปิ